หน้านี้ฤดู น, นี้เหมือนกับจะเป็นฤดูฝนนี่มันคงเป็นสิ่งที่ลอยในคาดคิดนะแต่อะไรล้วเกิดขึ้นได้นะเรื่องของฤดูกาลเรื่องของฟ้าฝนสิ่นที่ในคาดคิดมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ เรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนที่จริงมันไม่ใช่ดูซ่าการอย่างเดียวนะชีวิตของเราก็เหมือนกันถึงที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็สามารถจเกิดขึ้นได้เสมอที่ไม่คาดคิดนั้นก็จะมีทั้งดีเจ๋ง ได้ชมได้ล่าก่อนอย่างแต่ที่ไม่มีก็มีมากมายเป็นความภาคภูนิเฉียวโดยความภาคภูนิเฉียเป็นรักสรีรักซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นดับกระทนหัน มันเ็นสที่ไม่คาดคิดก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของโลกหรือธรรมดาของชีวิตถ้าเราลองเผื่อใจคาด ค, คิดบ้างมันก็คงไม่ทำให้เกิดความประหลาดใจหรือเกิดความตื่นเตนกเกิดความทุกข์เท่าไหร ว่าคส่วนใหญ่นะก็แล้วก็เลยคิดเผื่อสำหรับสิ่งที่ไม่คลาดคิศเท่านั้นคุณจะคิดเผื่อไว้เนี่ยมันก็จากสิ่งที่ไม่พลาดทิศเข้กากันสิ่งที่พออกาดทิศออกาดหวังได้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เสียใจไว้ก็เกิดใหุ้ปุบปับขึ้นนะก็ทำให้เสียความ ้าสกเสียใจได้ด้วยก็ต้องเป็นความทุบข์าสูญเสียถ้ามีครอบครัวก็สูญเสียสามีสามีนี่ก็เรียกว่ายังหนุ่มเลยอนาคตไกลแล้วก็ขพ้นแต่งงานดูกระเพื่อครอบ ดีดูก็ประสบกับเหตุาการ์รถยนต์นี้เป็นภรรยายนี่ก็หม่ไดะชอบเลยนะไปแต่งงานได้ว่าลำบากแต่งงานแล้วก็มีความสุขแค่ชั่วคราวไม่ถึงปีก็ต้องพาจาจับกันแล้วก็เศร้าได้เป็นอันธรรมดานั่งซึมอยู่ได้ ลูกก็ไม่ค่ยจะสนใจภาหลาให้พ็่หนุ่เลี้ยงคือไม่มีตัณฑ์กระจายมาเมื่อพักใจเลี้ยงลูกจนคนนี้เป็นแม่นะแม่ของูกตายเนี่ยมีลูกคนเดียวก็เศร้าโ่มเหมือนกัน่ะคนเป็นแม่ก็ดีคนเป็นภรรยาก็ดีข็เนว่า ไม่มีกระตุกกัะใจทำอะไราผ่านมาหบเดือนนะก็ยังเศร้าซึมอยู่ไม่ไแตกต่างอะไรจากวันแรกแรกอาที่ย์แรกแรกอาทิตย์สิ่สี่สน้วข้อบครก็เป็นห่วงกันนะคนที่เป็นพ่อหผู้หญิงนะก็บอกว่านะ ไม่เพิ่งให้ลูกทำอะไรไม่ให้ลูกต้องเยียวยาตัวเองมีอ ง, งานการอะไรเราก็ช่วยกันทำไม่ต้องให้ลูกต้องรับผาละเพราะแทย์เขาจะอยู่เป็นผู้เด่นคนเ็นญาติยู่้ยากนะจะให้เขาทำโน้นทำนี่มันก็ไปเรื่อนหนักหนาเสนอเถอะแต่คนที่เป็นญ า, า, ต, าติเนี่ยผมสงสัยจะบอกว่า ต้องช่วยนะต้องช่วยเขาให้ออกมาจากความเศร้าความโศมีก็มีความหึง่างกันกเพือนเพื่นเขาบอกว่าเราต้องช่วยกันปกป้องเ้าจากโรคไม่ให้ต้องไปยุ่งเกีเ่ยวกับโรคภายนอกแต่เป็นเจ้าหลักวันเป็นหน้าที่ขอยเรต้องช่วย เ, า เ, เขาดึงเ้าออกมาสู้โรคภายนอกก็มีความไม่ตรงกัน สุดท้ายเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าภริยาเนี่ยภริยามาั่นก็สามารถจัดการโสมสศร้าได้เพราะว่ามีคนช่วยมีคนช่วยยุ่นช่วยทำให้ออกมาทางานทาการออกมาดูแลจัดการของของสามีเนะี่ยก็เรียก ว, ว่าต้องเที่ยวต้องเึ็นะแต่ว่าพอ เขาผู้หญิงเขาหนักได้ว่า เ, เราไม่รู้ต้องดูแลเรามี เ, เรามีกิจการของสารมีที่ต้องสืบทอดสารต่อก็เกิดทุกสู้ขึ้นมาจากเดินที่เคยเศร้าซึนนะ้ว ก, ก็กลับมามีความเพ้ยนแข็งทันทีแรกเคยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความเพ้ยนแข็งพอที่จะมาสืาบทอดบภาระของสารมี ุลศึกของสารมีหรือไม่แต่พอมีคนให้กำลังใจงว่าทำได้เธอก็สามารถที่จะหยุดจากความตกเศร้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมามีม่ว่ามีชีวิตชีวาหรือกลับมามีใช้ชีวิตอย่างคนปกตนะิเป็นผู้เป็นคนเป็นคนที่เป็นแม่ ส่วนคนคนี้แม่ของผู้ตายก็มืนกันนะแม่ของผู้ตา ย, ยก็ซึมเศร้าก็มีคนปรักนาดีเยายมช่วยช่วยยังไงนะก็ช่วยหาหาเด็กอานาถามาให้เธอดูแลทีแรัเธอก็บอกว่ า, ว า, วาไม่มียองมีแรงหรอกนะ แสงก็ไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็พอมีคนกระตุ้นมีคนให้กำมั่ใจว่าเธอทำได้เพราเธอเคยทำมาก่อนการช่นะเอเหลือดูแลผู้คนก็เอาเด็กอนาถามาให้ให้แม่ของผู้ตายเลยี้ยงก็พวกว่าปาลมีที่สว่วงเธอกลับคืนมากลับมาดูแลเอาใจใส่ เด็กอนาถาก็ทำให้หลุดจากความเศร้าโศกได้เหมือนกันกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติน้าสองกรณีนี่น่าสนใจนะคนคนที่เป็นแม่คนที่เป็นภรรยาซึ่งสูญเสียคนรักคือสูญเสียลูกและวสูญเสียสามี แน่นอนต้องเกิดความเศร้าโศกนะแต่ว่าจะรอให้เวลามันช่วยเยียวยาความเศร้าโศกบางทีก็ทาไตาการที่ตะดินเ้าออกมาจากหลุมปรับแห่งความโศกเศร้าได้นั้นมันก็มีหลายอย่างแต่สองกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเนี่ย สารที่ช่วยให้เขาหรือถักให้เขากระตุต้นให้เขาได้ทําอะไรนะบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งมีความหมายเป็นกลับมาสารต่อธุรกภิกษของสามีกลับมาดูแลลูกนะเลี้ยงลูกซึ่งองคแบบบอกนะมันเป็นยานะมันเป็นยาเป็นโอสถนะที่ช่วยสมานเยียยา ความเศร้าโศกบรรเทาความเศร้าโศกโดยยาติดใจที่เหมือนหมองหรือซึมเศร้าได้สมัยนี้เนี่ยเวลาเจอคนซึมเศร้านะมันก็คิดว่าผู้อยาาลยุ่เกี่ยวนะหรือว่าให้ยาือซึมเศร้ามากก็ให้กินยาแต่ว่าของนี้เนี่ยมันช่วยชั่วคราวแต่ถ้ารู้เจอว่ากระตุ้นได้ก็ได้ทำอะไรบางอย่าง น่าจะเป็นงานที่ยากนะแต่ถ้าหากว่าใจสู้แล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรียวยาความเจ็บปวดได้เยียวยาความเศร้าโศกได้พระศาสนามัามีธรรมะมวล น, นึ่งนชื่อว่าโพดทรงเจ็บนะโคดทรงเจ็บนี่ก็มีธรรมะมวลหนึ่งนะชื่อธรรมะอันนึ่งก็คือวิริยะความเพียร ข้อสังเกตที่มันจะมีทำว่าสองหมวดด้วยกันสองส่วนส่วนแรกเป็นส่วนทำให้สงบ ก, ก็คือปัจจุบันความฝันตายยึดปัจจุบัแล้วก็สมาธินะอุเบกขาทำสามตัวเนี่ยทำให้ใจสงบเหมาะกับคนที่ฟุ้งซ่านว้าวุ่นนะถ้ามีปัจจุบัมีสมาธิมีอุเบกขาเนี่ย คนที่เคยว่าวุ่นที่ตกกังวลหรือแม้กทัางตรวจแท้งเนี่ยมันก็รูเ้เรารอบบางแต่ถ้าคนที่มีความเสื่อยเนื่อง่วงหนาหาวนอนหรือซึมเศร้าเนี่ยท่านให้ใช้อีกหมวดหนึ่งนะก็คือวิริยะความเพียรแล้วก็ปิติคฟันดี หรือแสดงความดีใจได้เลยนะง่ายๆอีกอันนึงคือธรรมวิตรยะคือการพิจารณาธรรมนี่สำหรัคนทั่วไปการพิจารณาธรรมนี่มันไปยากแต่ว่าถ้ากระตุ้นให้เกิดวิริยะความเสิ้นขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เคยเฉยเมยก็กับมีชีชีวาขึ้นและสิ่งที่ครอบครัวนิธรรมก็คือการากระตุ้นวิริยะให้เกิดขึ้นในใจของ คนที่เป็นภรรยาก็คือให้ผักดันลุ้นให้ทำนะในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเธอไม่อยากทาเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีกิจตัใจแต่พอเริ่มขยับขึ้นมาเนี่ยมันเกิดวิริยะวิริยะนี่กเป็นสัศรัธรรมนะพอเกิดขึ้นแล้วมันปลุกใจให้ตื่นการที่ ดึงคนชวนคนเศร้าเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยนอกจากมันจะเป็นการดึงเขาออกมาจากความคิดปรุงแส่งจมอยู่กับอดีตคือคนเราถ้าหน้าเฉยเฉยเนี่มันคิดถึงอดีตคิดถึงคนรักแล้วก็เอาแต่เศร้าซึ้ยิ่งเหมือนกับขุดวนเวรลุกไปเรื่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆเพราะคิดจะยู่แต่เรื่องที่เป็นอดีตจะช่วยเข้าขุดออกจาก ความเศร้าก็มันก็นดึงเข้ามาจากหลุมเจะดึงออกมากจากลุมลึกได้เ น, นี่ยก็หาอะไรมาเป็นตัวช่วยให้ทำโน่นทำนี่ทํางานบ้านหรือว่าทำํทำทาสวนทําอะไรแต่นะ้อาอจจะ ม, มีความหมายถ้าตัดตกการดึงให้มาทำสิ่งที่มีความหมายต่อสามี่องข้าที่ตายไปแล้วเปสด็จมาสืบทอดทรัพย์ิของสามี่วมทั้งการดูแลลูกที่ยังน้อยเดือน อีกอันหนึ่งก็คือการใช้เมตตานะเมตตานี้ก็ถ้าเรากระตุ้นได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาความทุกข์ความเศร้าโศกได้ในกรณีของแม่ผู้ตายเนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยกันเยียวยาด้วยการหาเด็กอนาถาให้เธอเยี้ยงพอเจอเด็กอนาถาเจอคนยากไร้เนี่ยมันเกิดความเมตตา พอเมตตาที่ถูกปลุกขึ้นาในใจแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเศรา้าโศกได้ให้หายเจ็บปวดได้อันนี้ก็เป็นวิธีการนะที่ช่วยในการเยียวยาความเศรา้าโศกเยียวยาจิตใจที่เศรา้าโศกประตุ้นให้เกิดวิริยะนะแล้วก็คือกระตุ้นให้เกิดเมตตากรุณานะ อันนี้เป็นยาที่มันช่วยได้ก็มีหลายๆนะที่มีความเศร้าโศกเนี่ยซึ่งไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะแต่พอกระตุ้นให้เกิดเมตตาขึ้นมาเนี่ยมันช่วยทําให้กลับมามีชีวิตชีวาได้มีหมอคนนึงนะเสียสามีเป็นหมอเด็กผู้หญิงเป็นหมอเด็กนะจัดงานศพแล้วเธอก็กลับมาทํางาน ก็ไมีแต่นั่งทำงานนะั่งซุ่มเศ้าอยู่ในห้องไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยพูดจาสูนขิงกับใครรายตารก็ไม่เคยทําทีแล้วเพื่อนเพื่อนก็เห็นใจนะเพราะว่าเธอสูญเสียเพื่อนสูญเสียคนรักแต่ผ่านไปเกือบเดือนแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนใจนั่งซุ่มนั่นแหละมาทํางานนะแต่ไม่ทํางานที่แรกเพื่อนเพื่อนก็เห็นใจนะแต่ตอนหลังที่ว่าช่าไม่ได้กาแล้ว ถ้าปอยให้เป็นแบบนี้ไปเนี่ยจะแยกไปเรื่อยๆจากเศร้ากันซึมเศร้าเลยเพื่อนๆก็ชวนให้ไปทํางาน่ออกไปทํางานเธอก็ไม่ไปแล้ววันหนึ่งเพื่อนนี้ก็เอาเอาเด็กเนี่ยเอาเด็กพาลูกมาวางไว้ที่บนโต๊ะของเธอแล้วก็ออกไปจากห้องทิ้งเด็กเอาไว้ให้อยู่กับเธอ วเวลาเจอก็ไม่สนใจ น, ะนั่งนั่งยนะู่นั่นแหละแต่พอเด็กเริ่มร้องไห้น ะ, ะเริ่มหนะ้องไห้แล้วก็ต้องทำแนละ้วต้องหาทางทำให้เด็กร้องอุ้มก็ดีหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมของเด็กก็ดูแล้วก็ก็เริ่มมาสนใจ เ, ออเด็ ก, กเป็นอะไรนะก็เริ่มอยากขยับนะทางานของตัวแนละ้วใส่ใจเด็กกลับมาดูแลเด็ก พอได้เวลาเลิกงานเธอก็เอาเด็กไปคืนนะที่วอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเธอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยประโยหน้แรกที่เธอถามเพื่อนๆคือว่าอาเด็กเป็นยังไงละ้ะก็เริ่มกลับมากลับมาดูแลเด็กแล้วก็ค่อยๆคืนจากความเศร้าโศกกลับมากระฉับกระเฉงเหมือนคนเดิม อันนี้ก็เป็นเรื่องหลากคล้ายกันนะก็คือว่าดึงคนออกมาจากความเศร้าโศกได้ด้วยการไม่ใช่แค่หางานทันเหมือเดียวไม่ใช่หางานให้เขาทันเหมือเดียวนะแต่ต้องเป็นงานที่มันกระตุ้นให้เขาเกิดเมตตากรุณาด้ยวยความใส่ใจในตัวเด็กนะมันทำให้เกิดเมตตาขึ้นมาและเมตตาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ขับไล่นะความซึมเศร้าออกไปจากใจ เมตาเป็นกุศลธรรมเนะี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําดีนะไล่น้ําเสียน้ําเสียก็คืออกุศลธรรมก็คือความซึมความเศร้ารวมทั้งความโกรธ ด, ด้วยมันเป็นปฏิปักษ์กันนะระหว่างน้ําดีกับน้ําเสียงคือระหว่างกุศลธรรมกับกุศลธรรมพอมีกุศลธรมรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ถ้าเราพอมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยชเช่นความซึมเศร้าความทุกขกังวนถ้าเราสร้างกุศลธรรมนะ ให้เกิดขึ้นเลยเพรากุศลธรรมในฝ่ายที่มันทําให้เกิดการลงมือก ร, รนะทำเช่นวิริยะก็ดีเมตาาเาเมตากรุณาเพราะเมตตากรุณาพอเกิดขึ้นได้ยมันอยู่เฉยไม่ได้นะนะต้องหาทางทำนู่นทํามี่เพช่วยเหลือเขามีดาราคนหนึ่งเนี่ยนะแกเศร้าโศกเสียใจนะเสียคนรักก็ทิ้ง ทีวการแสดงก็ตกต่ำย่ําแย่เศร้าตนกมะทั่งต้องไปหาต้องไปหาเหล้าแฝกที่เราไปหาบุรี่ก่อนตัวลังก็ไปหาเหล้าเรายังช่วยไม่ได้เท่าไหร่ก็เลยเล่นยาเลยเพื่อนเพื่อนก็พยายามที่จดึงออกมาจากการเลิกเลิกสิ่งเสพติดเลิกไม่ได้ไม่เท่าไหร่ก็กลับไปใหม่จนกระทั่งชีน้นี่เรียกว่ายับเยินเลย เพื่อนๆหลายคนก็เลิกอ่ะท้อแท้ไม่ได้วยช่วยยังไงแะ้วเพราะว่าช่วยยังไงเท่าก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็เอาเพื่อนถึงก็เอารูปแมวมาให้เอารูปแมวมาให้รูปแมวนี่ยังไม่อดนมเลยเอามาให้ดาราคนนี้แกก็ต้องเลือกอดีตดาราดีวนะกว่านะแกก็ไม่เอานะ อย่ามายุ่งกับฉันนะแต่เพื่อนก็ไม่สนใจเอาลูกแมวมาแล้วก็วางไล้แล้วก็กลับบ้านเลยอันนี้ทำงานลูกแมวมาลูกแมวก็ร้องเจอก็ไม่สนใจแต่หลงังจากที่ลูกแมวร้องไปนานๆก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องต้องช่วยเขานะก็ต้องขยับนะไปหา น, นมมาให้ลูกแมวเราก็ต้องทำโน่นทํานี้ให้กับแมวหาลังมาให้มันนะ แต่แล้วก็นั่งซูลต่อแต่ต่อมาแมวก็ร้องอีกนะก็ต้องนะจัดการเลี้ยงนะดูแลแมวเนะท่านิดเทรนี้เนี่ยนะเธอก็ค่อยๆเริ่มนะเริ่มออกมาจากความซุนเศร้านะเวลาจะบอแมวโตขึ้นเนะี่ยแต่ก็ยังเป็นเป็นรูปแมวอยู่นะ จะไปไหนเนี่ยนะก็ไปไหนนานๆไม่ได้ห่วงลูกแมวนะต้องกลับมาที่บ้านมาเลี้ยงแมวนะจะไปเมานะหัวทิ่นที่ไหนก็ก็เมาไม่ได้นานนะมันห่วงแมวคิดถึงแมวก็กลับมาดูแลแมวนั่ไม่น่าเชื่อนะเพียงแค่แมวตัวเดียวก็ทำใหนะ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ย ค่อยกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้เป็นว่าความห่วงก็เลยมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไม่ทำอะไรที่มันจะกลายเป็นคนเสียขนแนวอันนี้ก็เป็นพลังของเมตตากรุณนานเพื่อนเนี่ยคงจะรู้นะว่าถ้าให้เขาได้รับผิดชอบกับอะไรบางอย่างไม่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นคนปกติได้ บางทีเราคิดว่าคนที่เขาไม่มีเรื่องไม่มีรจะทาอะไรเนี่ยนะแท่ดูแลตัวเองดูแลไม่ไหวเลยจะให้รับผิดชอบอะไรแต่บมงทีการให้รับผิดชอบหรือการให้ช่วยมันกับจะเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาความทุกข์ของคนได้ก็พ้นแม้กระทั่งให้ลดน้ำต้นไม้เนี่ยให้คนแก่ที่ซึมเศร้าคนแก่ในสถาน พักพื้นคนชราที่เราพักพื้นคงไม่ใช่ในะเรเรียกว่าบ้านบ้านพักคนชรามากกว่าคนชราหลายคนก็หมดเรีย่ยวหมดแรงไม่เป็นอันทาอะไรนั่งซึมอยู่บนเตียงนะหมดสภาพแล้วนั่งซึมอยู่บนเตียงราะคนเหล่านี้ก็มักจะถูกครอบครัวทิ้งลูปพามาหรือไม่ก็เคยมีภรรยาภรรยาตายในวัยชราอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วก็ซึมเศร้า ลูกก็เลยต้องพามาอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เมือง น, นอกนะอเมริกาเขาก็มีบริการอย่างดีนะเรื่องอาหารเรื่องเรื่องยานเนี่ยนะไม่มีไม่มีข้อตำหนิเลยแต่คนก็ซึมนะแล้วเขาก็มีการทดลองนะให้เอาเอาต้นไม้มาไว้มาปลูกไว้เอากระถางต้นไม้มา ขอไว้ในห้องแต่ว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยมีพนักงานมาช่วยลดน้ำให้นะกลุ่มที่สองเนี่ยให้คนแก่เนี่ยลดน้ำเองนะลดน้ำเองเนะก็ต้องลุ้นนะให้ช่วยลดน้ำนะแล้วพบความเปลี่ยนแปลงนะก็คือว่ากลุ่มที่ลดน้ำเองเนี่ยนะ เขามีสุขภาพจิต ด, ดีกว่ากลุ่มแรกที่มีพนักงานลดน้ำให้แล้วก็ใช้ยาไอที่วัคซีนช่วยบรรเทาความซึมนเศร้านี่น้อยลงแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมีชีวิตยืนยาวกลุ่มที่สองอกลุ่มกลุ่มที่มีคนช่วยลดน้ำให้อันนี้มันเชื่อเลยนะว่าไอการที่ ได้และผิดชอบอะไรบางอย่างโดย่อเพราะเป็นควารับอที่ทําให้เกิดความผูกพันเกิดความห่วงใยมันช่วยทําให้ช่วยทําให้ช่วยฟื้นฟูจิตใจได้ต้นไะม้ก็มีชีวิตนะถ้าไม่ลดน้ำนะมันก็เหี่ยวก็แห้งในะความผูกพันที่มีกันระหว่างต้นกับต้นไม้เนี่ยมันก็สามารถที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเกิดความกระฉับกระเฉงเกิดวิริยะขึ้นมา ก็มีวิริยะแล้วเนี่ยไอ้ทีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนความเสื่องซึมเนี่ยมันก็หายไปนะแต่มันไม่ใช่วิรยิยะอย่างเดียวมันมีมันเป็นความเมตตาด้วยนะความเมตตาความห่มใหญ่ไอ้สองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันนะเมื่อมีเมตตากรุณานก็เกิดวิริยะขึ้นมาเมื่อพ่อแม่มีลูกเนี่ยนะพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ค่อย ก, กระตือรือร้นเท่าไหร่แต่พอมีลูกขึ้นมาแล้วมันเกิด ความเพียรขึ้นมาหรือพอมีความรักแล้วเนี่ยความเพียรก็มากกว่าปกตินะพ่อแม่ของเราขยันขันแข็งทำอะไรมากมายเพราะว่าอาศัยเมตตากรุณาเนี่ยมันเปนกระตุ้นให้เกิดวิริยะเน้นเวลาเวลามีความเศร้าเวลาเจอใครเศร้าโศกเสียใจยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรานะให้เวลาเขา ในการเยียยาตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เนี่ยลองช่วยกระตุ้นเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจเขามันสามารถจะช่วยได้และถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยนะก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันียิ่งคนยิ่งแกจะเห็น บ้านเนี่ยไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาและในบ้านเนี่ยก็มีพ่อมีแม่ที่แก่นะนอนติดเตียงและแถนมีลูกลูกสาวอีกสองคนยังเด็กอยู่เลยแต่เธอก็ไปช่วยไม่ได้เพราะไฟลุกโหมไหม้อย่างแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามดึงเธอไว้ว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเพราะว่าเข้าไปก็ตายเปล่า สุดท้ายก็ก็ทำอะไรไม่ได้นะเสียใจมากพ่อแม่ตายลูกก็ตายเจราเ่หมันก็ตายต่อหน้าต่อตาก็ได้แต่ที่ทำอะไรไม่ได้ก็ซึมเศร้ามากแต่ว่า เธอก็สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ด้วยการไปตั้งมูนิธิทำมูนิธิเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเด็ดทุกยาาตอนที่เธอพูดในงานศพของของลูกและของแม่เนี่ยเธอก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ทุกคนที่มาในงานระลึกถึงลูกของเธอ ส่วนใหญ่คนก็ จ, จะไม่ค่อยอาจจะไม่เสียใจมากนะกับการที่คนแก่เนี่ยตายแต่ที่เด็กยังเล็กๆ เ, เนี่ยแล้วตายมันเศร้ามากเพราะว่าให้ควรไม่ควรเที่ยงไปในเวลาที่ยังไม่สมควรอย่างนั้นเธอก็บอกว่าเนี่ยให้เราลึกถึงลูกของเธออย่าให้ลูกขงเธอเดินหานไปจากใจของพวกเราแต่ที่พิเศษคือบอกว่าให้เราลึกถึงลูกของเธอด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือคนที่ทุกยากเมื่อนึกถึงลูกรักถึงรักลูกเธอก็ให้ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากเธอก็เลยตั้งมูลนิธิขึ้นมาเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนที่ทุกยากมันก็ช่วยทำให้เธอหายสูมเศร้าไปได้านกันอันนี้ไม่ใช่มีใครมาลุ้นไม่ใช่มีใครม า, มาแนะนำแต่ว่าเธอคิดของเธอขึ้นมาเองว่า ในการที่แปลความเศร้าโศกเป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะมันสามารถจะมีพลังได้หรือว่าการที่ช่วยกระตุ้นเมตตากรุณาในใจตนเนี่ยมันก็สามารถจะเยียยาความเศร้าโศกได้กระตุ้นเมตตากรุณาในใจตนก็โดยการนึกถึงคนที่ลําบากกว่าเชื่อเราคนที่ลําบากกว่า แลเธอก็มาถึงการทำเงินิดที่ขึ้นมาผู้ชายคนนี้ก็คล้ายกันนะในสถานการณ์คล้ายอย่างนะโดนพ่นเข้าโดนพ่นเข้ามาในบ้านนะโดนแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็ฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าลูกของเธอลูกเธออายุสิบเอ็ดสิบเจกนั่นแนหะเขาเองถูกมัดนะเมียก็ถูกข่มขืนแล้วฆ่านะลูกน้อยก็ถูกชำเรา คนนี้มันเจ็บปวดที่งกว่ากรณีที่เห็นคนรักเนียตายในกองเพลินะลถูกมัดทําอะไรไม่ได้เลยทำอะไรช่วยช่วยเมียช่วยลูกไม่ได้เลยเจ็บปวดมากความสึกผิดกัดกินใจนที่แรกก็อยากจะค่าตัวตายนะเพราะสตัวนี้ช่วยลูกช่วยเมียไม่ได้เลยแต่ต่อหลังแกก็ฟื้นึ้นมาจากความเศร้าโศกนะก็ไดนะ้ทางออกคล้ายๆก็คือการ นะทำมูลนิธนะิเพื่อช่วยเหลือคนทุกคนยากการคิดถึงคนทุกยากเหล่านี้เราพยายามช่วยเขาเต็มความสามารถเนี่ยมันก็ในแงๆนี้ก็คือการดึงเขาออกมาจากความเศร้าความโศกการเที่นั่งเจ้าจุกนะคิดถึงเมียคิดถึงลูกที่ถึงความผิดพลาดของตัวเองที่ปล่อยให้ลูกตายเมียตายก็กขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแต่มันไม่ใช่แค่อะไรบางอย่างเท่านั้นนะ มันเป็นสิ่งที่สามารถจะกระตุ้นให้ให้มีเล็ตากรุนาในใจได้ก็คือการที่เหลือคนที่ทุกข์ยากเืิดร้อนอันนี้มันเป็นดาที่สมานจิตใจของคนได้ไม่ใช่แค่การเที่ยวให้ลืมความเจ็บปวดให้ลืมความเศร้าให้นํามเป็นชั่วคราวแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถจะกระตุ้นให้เกิดทั้งวิริยะและความ เมตตากรุณาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หลุดจากความโศกเศร้าหลุดจากความรู้สึกย่ำแย่ในใจได้แต่ว่าของแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลาด้วยแล้วก็อาศัยนะอุบายด้วยนะเพราะว่าถ้าไปไปดึงเขาออกมาในขณะที่มันก็เป็นการไปผักใส่เขา ไปบังคับเขาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีก็คงไม่ใช่ทางทางออกบางทีความปรารถนาดีเนี่ยแต่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกหรือว่าไปเที่ยวเข็นบังคับผักสายมางเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันกลายเป็นก า, บารบังคับกลายเป็นการตัดสินว่าเขาแย่ถ้าเกิดไม่ทำมํำว่าถธอแย่ต้องใช้ความนุ่มนวลใช้ความรักเพื่อเที่จดึงเขาออกม า, าจากความเศร้า ให้เขาออกมาทำอะไรบางอย่างให้กำลังใจเขาเรื่องวันนี้ เ, นเป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้องมีความรูนะ้หรือต้องเตรียมมาไว้บ้างเพราะว่ามันจะเกิดในสิ่งที่ไม่คาดคิดนี่มันจะเกิดกับคนที่เรารักเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเกิดขึ้นกับเราเองเมื่อไหร่ก็ได้นะมันต้องมีความรู้ในเรื่องนี้บ้าง อันนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานในวิชาชีวิตนะเป็นความรู้พื้นฐานในวิชาชีวิตที่ไม่ค่อยได้สอนในโรงเรียนเท่าไหร่โรงเรียนเขาก็สอนแต่วิชาเยียวยาตัวเองเวลามีแผลวิชาสุขสุขศึกษานะันก็มีสอนเรื่องว่าถ้าตัวไม่สบายจะดูแลตัวอย่างไรแต่มันเป็นเรื่องความไม่สบายทางกาย ส่วนเรื่องไม่สบายทางใจนะจิตใจมีความโกรธแท้บจะเยียวยาจิตใจตัวนอย่างไรจิตใจมีความเศร้าโศกจะเยียวยาจิตใจตัวนอย่างไรไอของพวกนี้ไม่ค่ได้สอนเท่าไหร่ในโรงเรียนหรือแม้แต่มาเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นวิชามันเป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีวิตเนี่ยที่เราต้องมีกันเพราะว่าในชีวิตคนเราก็ต้องเจอคนที่ต้องสูญเสียต้องพัดพลาดอยู่ตัวเองต่อไปก็ต้องเจอเหมือนกัน ประมาไม่ได้อย่างที่เราสวดเมื่อชักครู่เนี่ยเรื่องความไม่ประมาด <Okay. S 1> สำคัญทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายคงทําความไม่ประมาดให้ถึงพร้อมเจ <Okay. S 1> อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาด <Okay. S 1> ในการตัดเปลี่ยนจิตใจเพื <Okay. S 1> ่อที่จะรับเือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดหรือว่าสิ่งที่มาแลกระทำหันโดยเพรื่อง เ, เป็นอกุศลธรรมเร่ที่เ เหตุการณ์ที่ไร้ลา ย, ลายนก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องรู้แล้วก็ต้องเกือใจเอาไว้ด้วยชาตนี้ก็ปกนเท่านี้นะครับ